ก่กาบบูชาพระรัตนตรยัยกาบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่ลงพระเทียนหองพ่อกำเขียนก่อกาบครวะพระจันทรสงสินพระเทรานุเทระเพื่อนสาธมิกและก่อเจริญพรเมชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตในช่วงนี้ก็ระยะ เกือบครึ่งเดือนนะที่ผ่านมานะก็ได้มีโอกาสไปประเทศศรีลังกานะโดยการนำของอพระอาจารย์อาจาร า, า, ราเป็นพระศรีลังกาซึ่งก็ไปด้วยกันทั้งหมดมีพระอยู่เจลูกนะแล้วก็มีโยมหนึ่งท่าน ออตอนนี้กลับมา3รูปอีก2รูปยังอยู่ที่ศรีรังกานะก็ไปอยู่กเกาะเกาะเล็กๆในทะเลสาบกับอาจารย์โทนนะก็คื อ, อ, อหลงวงพี่ออสและก็หลงวงพี่ออดนะก็ไปอยู่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าที่เกาะนั้นสงบเงียบแล้วก็เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ส่วนท่านจันหนมก็ไปประเทศมาเลเซียนะก็ไปอยู่ต่อท่านโยก็กลับมาแล้วนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะไปอยู่ชนบุรีนะตัวตมาแล้วก็นะท่านอาจารย์มงคลนะที่อยู่ขอนแก่นก็กลับมาพร้อมกับโยมโยมปริชาตนะิก็กลับมาพร้อมกัน ความสนใจที่ที่ประเทศศรีลังกาเพราะว่าท่านอาจารย์ที่อยู่วัดป่าสุกัโตเนี่ยท่านชวนไปแล้วก็ได้ยินเคยได้ยินได้ฟังนะว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีชาวพุทธนะมีศรัทธาเลื่อมใสมีวิถีชีวิตที่ยึดถือหลักนะในการประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา แล้วก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเทศไทยนะเมื่อประมาณสมัยสุขโขทยัยประเทศไทยเราก็ได้รับเอานิ ม, มนต์พระสงฆนะ์ที่มาจากประเทศลังกานะไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชขึ้นมาที่สุขโขทยัยนาะมาบวชกุลบุตรนะเป็นพระสงฆ์ ก็เกิดลทัทธิลังกาวงขึ้นมาเนะซ่งก็ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและก็มาทราบอีกว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานะก็ศรีลังกาในพุทธศาสนา ก, ก็เสื่อมลงไปเพราะว่าเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤนะษศาสนาก็เสื่อมลงไปมากนะแล้วก็ไม่มีพระที่จะบวชนะก็มาขอพระจากประเทศไทย นะสมัยพระเจ้าบรมโกศนะสมัยกรุงศรียุธยานะก็ได้ส่งพระอุบาลนะีไปบวชชาวศรีลังกาแล้วนะก็เกิดนิกายสยามวงขึ้นมานะซึ่งปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบสยามวงหรือว่านิกายสยามวงเนี่ยเป็นพระที่มีมากที่สุดในศรีลังกาในประเทศศรีลังกาจะมีนิกายอยู่สมนิกายก็คือ สยามวงศ์ก็ไปจากประเทศไทยแล้วก็รามันนิกายรามันไปจากพมา่าแล้วก็อมรปุระนะก็ไปจากพมา่าท่านอาจาราก์กดีท่านอุปสรรต์ที่อยู่ที่วัดเราเนี่ยก็อยู่นิกายรามันนะซึ่งทั้งสามนิกายเนี่ยก็เป็นเถรวาดนะที่มีอยู่ในประเทศศรีลังกานะเพียงแต่ว่า มาจากต่างที่คันในระยะ15วันที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศศรีลังกานะก็ได้ไปเห็นข้อวัดปฏิบัติของพระที่ประเทศศรีลังกานะก็มีในวัดแต่ละวัดก็มีที่เราไปอยู่นี่ก็มีพระไม่มากนะท่านอาจาราวัดของท่านก็มีพระอยู่ไม่กี่รูปสองสารูปแต่ว่าใช้ชีวิตอย่าง เ, เรียบง่ายนะก็ไปเห็นเป็นวัดป่าไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ถามว่าทําไมท่านไม่ใช้ไฟฟ้าท่านบอกว่าเป็นพระเนี่ยต้องอยู่แบบนี้นะก็คืออยู่แบบง่ายๆเรียบง่ายแล้วก็ใช้ชีวิตตามธรรมชาตินะใช้เทียนบ้างใช้ไฟฉายบ้างแล้วก็เป็นวัดที่เงียบสงบนะอยู่บนเนินบนเนินเขานะแล้วก็ไปเห็นโบสถ์โบสถ์ข้งเขาเ่ย ง่ายๆเรียบง่ายมากนะขนาดไม่ใหญ่นะใช้สำหรับการบวชแต่ว่าเน้นเน้นใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุงเฟอ้อฟุ้งเฟย อ, อาหารการกินส่วนใหญ่ก็อาศัยบิณฑบาตนะก็ได้อาหารขอฉันกันอยู่ก็พระก็อยู่กันแบบเรียบง่ายแล้วก็ถือวินัยข้อหนึ่งก็คือจะไม่ไม่ถึงเงิน ไปยหนม า, นนาติยมโยมก็จะเป็นคนซื้อตัว๋วนะสำหรับลาคนะ่าโดยสารในการเดินทางอันะนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นและก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เขาเข้มงวดกับเรื่องนี้พอสมควรสำหรับญาติโยมของคนศรีรังกาที่เป็นชาวพุทธเท่าที่ทราบจากท่านอาจารย์ลก็คือในประเทศศรีรังกาเนี่ย มีคนนับถือพุทธเนี่ยประมาณ 80% นะก็ถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่แล้วก็มีนับถือศาสนาฮินดูนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนทรรมินที่อพยพมาจากอินเดียแล้วก็มีคริสต์ศาสนานะซึ่งเกิดจากการอาที่สมัยก่อนในประเทศโปรตุเกสบ้างฮอลันดาบ้างอังกฤษบ้างมาเผยแพร่ก็มี ม, มีมีไม่มาก นะส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธภาษาที่ใช้ก็คือภาษาสิงคคนนะซึ่งเราฟังไม่ก็จะออกนะแต่ว่าภาษาอังกฤษของเขาใช้ได้นะเราสื่อสารกับเขาด้วยภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้ก็เท่าที่ดูความประพฤติปฏิบัติของคนที่เป็นชาวพุทธนี่เขาจะนับถือพุทธพระมาก เราไปเราถึงกับประทับใจนะในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติก็คือถ้าเขาเห็นพระเนี่ยเขาจะกราบที่พื้นเลยนะเหมือนกับคนไทยเราสมัยก่อนนะที่กราบที่พื้นนะแล้วก็ให้ความเคารพมากนะอนะนะแล้วก็ตอนเราไปบิณฑบาตเนี่ยเขาไม่ได้มายืนหน้าบ้านรอนะเราต้องไปยืนรอที่หน้าบ้าน นะถ้าเขาเห็นพระนี่ก็จะรีบวิ่งเข้าไปในครัวแล้วรีบไปเอาอาหารที่เขาทาอยู่นั่นแหละนํามาถวายนะเขาก็มีความตั้งใจนะที่จะทําบุญได้เห็นพระนี่เขาอยากจะทําบุญนะก็ได้อาหารพอครบฉันกันแต่ในบางพื้นที่เราไปเจอพื้นที่ของมุสลิมนะบางทีเราก็ไม่รู้นะก็ไปมุสลิมก็ไม่ได้อะไรเลยนะก็มีวันหนึ่ง คนกับรถต้องซื้ออาหารถวายพระนะก็อาศัยรถของจ้างเขานะก็ดีได้เผชิญกับสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ทดสอบกำลังใจานะจิตใจของเรานะบางมื้อได้กินบ้างบางมื้อไม่ได้กินบ้างกินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างแต่ส่วนใหญ่อิ่มเพราะว่าท่านอาจารยามีเพื่อนเยอะนะอยู่ในศีลังกา ไปบางเมืองก็ไปเจอเพื่อนนะเพื่อนก็นิมนต์มาถวายพระฐานเช้าพระฐานเพลนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เขาได้ทําบุญนะก็เรียกมาทั้งครอบครัวนะทั้งสามีภรรยาลูกพ่อแม่นะไปถึงบ้านนี่เขาจะล้างเท้าให้เลยนะล้างเท้าคนหนึ่งแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดเท้าอีกคนหนึ่งแล้วก็นิมนต์พระก็ไปในบ้านเอาผ้าขาวปูให้เรียบร้อย เราก็มีอสนะไปเตรียมไปแล้วก็ใช้บาทนะเป็นแทนถ้วยชามเพราะฉะนั้นบาทเนี่ยก็ฉันในบาทการฉันของประเทศศรีลังกาจะใช้มือนะไม่ใช่ช้อนนะซึ่งก็เหมือนกับคนไทยสมัยก่อนแล้วนะก็อาหารการกินก็ไปวันแรกๆก็ไม่เคยถุกบปากเท่าไหร่นะแต่ตอนหลังๆเราก็ปรับตัวได้นะส่วนใหญ่อาหารจะเป็นอาหารแบบทางภาคใต้นะ เป็นเป็นพวกแกงเเหมือนแกงของแขกนะก็พอไปได้นะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ประสบนะแล้วก็รู้สึกประทับใจนะในความศรัทธาของคนศรีลำกาที่เขามีศรัทธาในพุทธศาสนาตื่นเช้ามาเนี่ยประมาณตีสี่ครึ่งตีห้าเนี่ยเาจะสวดมนต์กันละเดเครื่องขยายเสียงทั้งหมู่บ้านเลยตอนแรกเรายังน้อกว่าเอ้นี่มันประเทศ เป็นเสียงของผู้มุสลิมหรือเปล่านะที่เปิดแต่ไม่ใช่เป็นเสียงสดมนในทำนองของศีลังกาทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็ น, นในหมู่บ้านนี่ก็จะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอเปิดเสียงขึ้นมาคนในบ้านก็จะยกมือพนมแล้วก็สดมนพร้อมๆกันอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เขาทำกันเป็นในชีวิตประจาวันของเขา แล้วก็ไปเห็นเอ่อบริเวณเจดีนะฮะศูปก็จะมีคนไปไหว้พระสวดมนต์กันนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นในในบ้านเราซึ่งแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธ า, านในพุทธศาสนาอย่างมากได้ไปเยี่ยมชมโบราณสถานเมืองเก่าของเขาก็พบว่ากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยเอมื่อมีอำนาจนะมี กำลังมากเนี่ยก็จะสร้างเจดีสร้างสถูปพนะื่เป็นการบูชาพรนะพุทธเจ้าแล้วก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยถือศีลห้านะแล้วก็บำรงพุทธศาสนาวัดบางวัดเนี่ยมีร่องรอยเป็นซากอิฐเนี่ยขนาดใหญ่มากท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีวัดบางวัดเนี่ยมีพระอยู่ถึง 5,000 ันรูปนะแล้วก็ ทั้งกษัตริย์ทั้งประชาชนเลี้ยงดูได้ซึ่งไม่น่าเชื่อนะเลี้ยงพระได้ถัง5้0รอรูปนะเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มากและเจดีย์เขาก็ใหญ่จริงๆมีเจดียด์มันซึ่งใหญ่สูงนะแต่ว่ามันผุพังลนะประมาณพันกว่าปีเขาบอกว่าความสูงเนี่ยเป็นรองแค่พีระมิดที่อียิปต์เท่านั้นเองแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาสร้างกันเนใหญ่มาก อันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงความศรัทธาลืมใสของกษัตริย์และวก็ของประชาชนชาวศรีลังกาพุทธศาสนาได้เข้ามาในประเทศศรีลังกาเมื่อประมาณ1500ปีสมัยที่พระเจ้ า, าโศกได้เผยแผ่พุทธศาสนาออกไปทั่วนะสายหนึ่งก็ไปที่ศรีลังกาโดยส่งพระมหินเถระนะเป็น เป็นโอรสของพระเจ้าอาโสมไปเผยแพร่ธรรมะที่ประเทศศรีลังกาแล้วก็มีภิกษุณีซึ่งเป็นธิดาของพระเจ้าอาโศกก็นําเอาต้นพระสีมาภูาไปที่ประเทศศรีลังกาด้วยซึ่งต้นพระสีมาภูต้นนี้ปัจจุบันนี้ยังอยู่ณที่ประเทศศรีลังกาแต่ว่าลําต้นก็มีขนาดเล็กลงเพราะว่าอายุมันมาก นะซึ่งเอ่อเราก็ได้ไปเห็นเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเอ่อเอาไว้บูชานะต้นโพนี่ถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะของเขาแล้วก็เจเดีย์ต่างๆที่เป็นที่บรรจุของนะพระบรมสารีลิกธาตุนะได้มีโอกาสไปวัดพระคิ้วแก้วนะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขานะที่เชื่อว่าเป็นเป็น เปนฟันของพุทธเจ้านะที่มีอยู่ในโลกนี้มีแค่2แห่งก็คือที่ศรีลังกากับที่ประเทศจีนนะซึ่งตรงนี้ในประเทศศรีลังกาก็ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีคนไปบูชากันมากมายนะที่รัานพระเครื่องแก้วอยู่เมืองแคนดี้นะเมืองแคนดี้ก็อยู่ตรงใจกลางของประเทศนะก็ได้มีโอกาสไปกราบสักการะนะในในส่วนนี้ ถ้าเป็นพระเป็นชีเป็นนักบวชเนี่ยการเข้าสถานที่ต่างๆไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเป็นโยมนี่เสียค่าใช้จ่ายมีค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะแพงพอสมควรมีที่หนึ่งคือเป็นที่ที่กษัตริย์เขาไปสร้างบนเขาเรียกว่าสิกริยานั้นตัอ้งอยู่บนเขาเนีนสร้างบนอยู่บนเขา ค่าใช้จ่ายสูงมากเกือบพันบาทนะสำหรับโยมที่จะขึ้นไปนะก็เป็นสิ่งที่เขาสร้างเอาไวนะา้นะนอกจากไปโบราณสถานนะก็ได้มีโอกาสไปแหล่งธรรมชาติประเทศศรีลังกาเนี่ยเท่าที่ฟังจากท่านอาจารย์แล้วก็เห็นด้วยตาก็คือคนศรีลังกาเป็นคนรักต้นไม้แตนะต้นไม้มี ที่เห็นนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแม้แต่สร้างถนนเขาก็ไม่ไมต่ตัดต้นไม้ต้นไม้ใหญ่เขายังเก็บรักษาไว้แล้วก็พวกสัตว์ต่างๆเนี่ยจะเป็นนกก็ดีเป็นกระรอกกระแตก็ดีพวกนี้จะไม่กลัวคนนั่นแสดงว่าคนในสีลังกาส่วนใหญ่ก็จะไม่ไปลังแกสัตว์ไปที่หนึ่งเราไปเจอฝูงลิงหน้าดําแล้วก็เราเดินเข้าไปใกล้ๆเขาก็ไม่หนี แล้ว ก, ก็นั่งเล่นของเขานะพวกนกพวกกระรอกกระแตก็เล่นของเขาแล้วก็เออประเทศนี้ดีนะสัตว์มันคนงจะมีความสุขคนไม่ได้เปลังแกลนะต้นไม้ก็ใหญ่ร่มครึ้มอากาศค่อนข้างเ อ, อชื้นนะเพราะว่าเป็นเกาะแล้วก็อุณหภูมินี่ก็บางบางเมืองาก็หนาวอย่างเช่นเมืองแคนดี้เนี่ยเป็นเมืองคล้ายๆเชียงใหม่ของเรานะอากาศค่อนข้างเย็น นะแล้วก็ที่หนาวมากๆก็คือได้ขึ้นไปเขาศิริปทะนะจริงๆแล้วชื่อเขาสมุนกูดที่บนเขานี้มีความสูงเท่ากับสูงกว่าดอยอินทนนท์เดินขึ้นไปประมาณสองพันกว่าขั้นใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงนะเดินขึ้นไปข้างบนนี้หนาวมากและข้างบนนั้นก็มีลอยพระพุทธบาทนะซึ่งเขาเชื่อตามตำนานนะ จะจริงเท็อย่างไรไม่ทราบเขบอกพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาที่ ป, ประเทศศรีลังกาและกระถับลอยพระบาทไว้ที่นี่แล้วก็เป็นสิ่งที่คนวิไปาศรีลังกาเนี่ยหรือคนศรีลังกาเองต้องมีโอกาสขึ้นไปกราบพระพุทธบาทนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ความเชื่อแต่และศาสนาก็แตกต่างกันพวกคิดก็บอกว่ารอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของนักบุญของเขา นะส่วนพวกกินดูก็บอกอันนี้เป็นรอยเท้าของพัศิวะนะก็ไม่เป็นไรแต่ละคนก็เชื่อแตกต่างกันออกไปแต่ก็เคารพด้วยกันก็ไม่ตีกันนะก็ทางคนก็ต่างเชื่อกันก็ได้มีโอกาสขึ้นไปที่เขาศิริพัทะก็รู้สึกมันก็ได้ทดสอบกําลังกายของเรากําลังใจของเรานีขึ้นไปกว่าจะถึงนี่โอ้แทบแย่คนที่ไม่แข็งแรงขึ้นไปไม่ได้ นะเพราะว่ามันสูงมากแล้วก็อากาศหนาวเย็นทนะ่านอชร า, าก็พาขึ้นไปไปได้ไปนอนค้างคืนบนนั้นอากาศหนาวเย็นตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะแล้วก็ได้กลาวพระพุทธบาทนะก็ทําให้แต่ละคนก็มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งคนศรีรังกาทั้งคนที่ไปนะทั้งชาวต่างประเทศ นะครัอาเธอรที่สังเกตนี่มีมีพระฝรั่งนะนิยมที่จะไปอยู่ประเทศศรีลังกาเนะีเพราะว่าที่นั่นจะมีอิสระในการปฏิบัติพอสมควรนะโดยเฉพาะพระจากสายหลวงพ่อชานะได้ไปอยู่ที่ประเทศศรีลังกาหลายรูปแล้วคนศรีลังกาจะรู้จักหลวงพ่อชามากมากเนะ่เพราะว่ามีพระฝรั่ง ไปเผยแพร่วิธีการเจริญสตินในแนวของหลวงพ่อชาก็คืออนาปนญสติหรือพุโทโธส่วนใหญ่เท่าที่ฟังจันโทนะที่เป็นฝรั่งท่านก็บอกว่าการฝึกกรรมฐานของประเทศศรีลังกาส่วนใหญ่ก็จะได้รับอิทธิพลจากพมา่าแล้วก็คือยุบหนอพองหนอบ้างแล้วก็จากประเทศไทยก็มีหลวงพ่อชา นะโดยฝรั่งไปเผยแผ่ส่วนวิธียกม้า ย, ยกเนยที่เราทํากันเนี่ยไม่มีไม่เข้าเดินที่รู้จักนะเขายังไม่รู้จักแล้วก็อาจารย์โทนได้ได้เผยแพร่เหมือนกันแต่เผยแพร่ในวงจํากัดแล้วก็เท่าที่ทราบพระศิลังกา ร, รูปแรกที่เรียนวิธีการเจริญสติแบบสร้างจังหวะก็คือท่านอุปสรรตะนาะ ท, ที่อยู่ที่วัดเรานาะเรียนกับ อาจารย์โทนและก็ท่านอัจฉรานะก็มีสองรูปนะนอกนั้นก็มีท่านอิลิกยังไงที่เป็นชาวเยอรมันก็ไ ม, ไม่ไม่กี่รูปตัวอาจารย์โทนเองท่านก็ไม่ได้มุ่งหมายที่จะไปเผยแพร่วิธีการเจริญสติท่านก็ไปใช้ชีวิตอยู่ของท่านอิสระมากกว่าท่านบอกว่าอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้ต้องการจะสอนใครนะท่านเพียงแต่ต้องการที่สงบแล้วก็อยู่ปฏิบัติของท่าน นะโดยท่านไปอยู่เกาะทางใต้ของประเทศศรีลังกานะก็อยู่ของท่านรูปเดียวแล้วก็มีเพื่อนพระอีกรูปหนึ่งประเทศศรีลังกานี่ยมีหนังสือมอีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นตําหลับตำลามากนะมีสํานักพิมพ์อภิธรรมศาสนาที่พิมพ์หนังสือเผอยแพร่แล้วก็คนศรีลังกาเนี่ย โดยเฉพคนที่สนใจพิทธศาสนาเนี่ยเขาจะสนใจโดยต้องมีหลักอ้างอิงนะจะพูดอะไรนี่เอามาจากพาระสูตรไหนเอามาจากพระไตรปิฎกตอนไหนนะไปพูดลอยๆนี่เขาเขาจะไม่ค่อยเชื่อถืออันนี้จากท่านท่านอาจารย์โทนเล้วให้ฟังเพราะนั้นไปพายกไม้ยกมือสร้างจาังหวะนี่เขาจะไม่ไม่ไม่ใกล้ เ, เข้าใจแต่ท่านอจาจารย์ละก็พยายามที่จะพูด การฝึกความรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันก็คือให้มีความรู้สึกตัวกับการทํางานกับการเคลื่อนไหวนะซึ่งตรงนี้เขาก็พอฝังได้นะตรงนี้เวลาเราไปฉันเช้าก็ดีฉันเพนก็ดีก่อนที่จะฉันหลังจากเขาถวายเสร็จ ก, ก็จะมีการแสดงธรรมซึ่งก็มีท่านอาจารย์โทนบ้างท่านอาจารยาบ้าง นะเพราะว่าต้องพูดภาษาสิงค์ขนกันได้ไม่กับภาษาอังกฤษนะก็ได้พูดคุยกันก็บางคนก็เข้าใจแต่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในการฝึกเจริญสติบแบบเคลื่อนไหวแตนะ่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจในเรื่องของการเจริญสติบแบบนั่งหลับตามากกว่าแต่ว่าเรื่องของอความศรัทธาเนี่ยเข้ามาอยู่มากนะเท่าที่สังเกตดูจากคนที่มาถวาย พระทหารนะแล้วก็เขาก็จะเคารพนะในในนักบวชนะเป็นอย่างมากแล้วเขาก็กมีศรัทธามากทีเดียวนะอันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ได้สัมผัสนะแล้วก็เป็นประเทศที่ว่าไปแล้วพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะอย่างลากเล็กพอสมควรนะในในประเทศศรีลังกาแล้วก็ แต่ความประทุษปฏิบัติของพระนี่เราไม่ค่อยได้ได้ได้ไดูโดยกว้างๆนะแต่วัดที่ไปอยู่นี่ก็จะระมัดระวังเรื่องในในพอสมควรเราไปอยู่ที่วัดของท่านอาจาราท่านกระ บ, บอกระมัดระวังหน่อยเอเรื่องเงินอะไรเงี้ยจะไปให้เขาเห็นเพราะว่าที่นี่เขาจะถือมากพัดจับเงินนี่ไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะแล้วก็ระมัดระวังตรงนี้นะ การขบฉันก็พอไปได้นะตรงนี้ก็เป็ น, เ ป, นเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์นะกับการามีชีวิตนะตามแนวหลักของพระพุทธศาสนานในประเทศศรีลังก า, าในประเทศศรีลังกานี่มีภิกษุณีด้วยนะมีแม่ชีด้วยนะโดยเฉพาะภิกษุณีก็แม่ของท่านอาจารจล่าเนี่ยเป็นภิกษุณีแล้วก็มีอีกบ้านหนึ่ง ทั้งแม่ทั้งลูกยกบ้านขึ้นมาเป็นวัดนะฮทำเป็นวัดความศรัทธาก็มีมากขนาดนั้นนะก็เป็นเป็นเรื่องที่พยายามส่งเสริมเรื่องนี้กันขึ้นมานะเพจแล้วกนะ็ประทับใจนะในวิถีชีวิตของชาวพุทธในประเทศศรีลังกาที่เขามีความศรัทธาเลื่อมใสมีความมั่นคงในการที่จะดำเนินชีวิตตาม แนวทางของพุทธศาสนาพิสูจในประเทศศรีลังกาเนี่ยจะไม่ฉันเนื้อเลยนะมีแต่อาหารมังสวิรัตเวลาเขาทำบุญเขาก็จะมีเฉพาะอาหารมังสวิรัตแต่คนทั่วไปก็มีปลาบ้างมีเนื้อบ้างซึ่งก็มีพระเราบางรูปก็รู้สึกเลี่ยนๆะก็มีเหมือนกันนะบางบางรูปก็ไม่ค่อยคน้นะกับอาหาร แต่พออยู่ยไปอยู่ไปก็คุ้นเคยกับอ่านของประเทศศรีลังกาอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้ประสบพบเห็นการไปประเทศศรีลังกาโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่ามันจ ะ, จะเจออะไรข้างหน้านี่ก็เป็นเรื่องดีนะได้ทดสอบกำลังใจของเราได้ทดสอบใจของเราว่าเราเราอยอมรับได้ไหมกับสิ่งที่เราคาดไม่ถึง จริงๆท่านลอตเตราก็วางแผนมาแล้วว่าจะต้องไปที่ไหนที่ไหนแต่บางทีมันก็ไปเจอสิ่งที่เราคาไม่ถึงเช่นเรื่องที่พักอย่างเงี้ยที่พักที่เราจะไปมันไม่มีเราต้องไปหาที่พักไปเช่านะซึ่งบางทีมันก็ซ้ำซ้อหน่อยนะแต่ก็ดีได้ไปฝึกบางทีก็หลูหราหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้ทดสอบกำลังใจของเราเหมือนกัน ก็พระที่ไปได้กันก็พอไปได้นะได้ฝึกกำลังใจมีตอนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่แทบจะเอาชีวิตมาไม่รอดนะก็คือตอนไปเดินที่ราบฮาตันนะซึ่งเป็นที่ราบสูงบนเขาเดินกันประมาณสามสี่ชั่วโมงอากาศร้อนแล้วก็มีท่านท่านออดนะอากาศท่านร้อนมากแล้วท่านก็อยากจะ ส่งน้ำนะท่านอาจารล่าก็บอกว่าอย่าอย่าลงไปทันทีนะต้องค่อยๆปรับตัวนะท่านก็ไม่ได้ฟังให้ดีท่านก็ลงไปน้ำมันเย็นมากอยู่บนเขาแล้วเราเดินร้อนๆเนี่ยปรากฏลงไปสักพักหนึ่งท่านสลบไปเลยนะช็อกไปเลยนะท่านมาล่า้ฟังทีหลังว่าเหมือนกับสลบและช็อกไปเลยอะ่ะไม่รู้สึกตัวอะไรเลย แล้วก็เห็นแสงต่างๆขึ้นมาท่านอาจารลาก็ตกใจขึ้นว่าตายแล้วพยายามช่วยเหลือกันขึ้นมาแต่ดีนะมันไม่ลึกลนะนามันตืน่นเก่ามาช่วยกันประถมพยาบาลนึกว่าท่านออกจากสิ้นชีวิตที่นั่นแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราตกใจกันมากอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไปในต่างถิ่นเนี่ยเราต้องฟังคนในท้องถิน่น นะต้องระมัดระหวังมากเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงแต่นะก็เดช่วงนั้นก็ยังสามารถอาชีวิตกลับมาไดนะ้ก็เป็นสิ่งที่เราเออตอนนั้นหลายคนก็ตกใจเหมือนกันนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับกลุ่มที่ไปได้วยกันเท่าที่สังเกตท่านอาจาราก็เป็นเป็นเป็นพระที่ท่าน ช่วยเหลือพวกเราเต็มที่นะแล้วก็พยายามหาทางที่จะให้พวกเราเนี่ยได้สัมผัสกับชีวิตของชาวศรีลังกาไปพักวัดบ้างไปพักกับคนศรีลังกาบ้างจะทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตของคนศรีลังกานะแล้วก็ได้ปรับตัวของเราในสถานการณ์ต่างๆซึ่งตรงนี้การที่เราได้ฝึกสติน ะ, จะเจริญสติไว้เนี่ย มันก็ไปใช้ได้นะในทุกสถานการณ์ก่อนที่าะไปศรีลังกาก็ประเดีเครื่องบินที่เราไปเนี่ยมันต้องไปแวะที่กวลาลัมเปอรนะ์ก็ได้อาศัยมีญาติยโยมหน้าที่มาเลเซียเขาช่วยรับรองกนะ็ท่านเต้ยนะช่วยติดต่อประสางนงานได้ก็ไปเจอกับคนมาเลเซียที่เขามีศรัทธาเนะี่ยในการทำบุญ นะเขาก็จัดที่พักให้อย่างดีนะก็มันทาให้เห็นว่าการที่เราเป็นพระเนี่ยนะมันก็มีสิทธิพิเศษบางอย่างที่ที่เราจะได้รับนะแต่เราก็ต้องกลับมาย้อนโดยตัวเองว่าสิทธิพิเศษนี้เราประพฤติตัวเหมาะสมไหมนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาเหมือนกันนะคนที่เขาทําบุญ เขาก็มองในลักษณะที่นักบวชหรือพระเนี่ยเป็นผู้ที่สละแล้วนะแล้วเขาก็อยากจะทำบุญด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานึกย้อนกลับมาเหมือนกันว่าความประพฤติของเราเหมาะสมนที่เขาได้มาอุปถัมมาทำบุญกับเราหรือไม่นะก่อนจะกลับก็ได้ไปที่กรุงโคลัมโบในเมืองหลวงก็ได้พบกับ นักตรุรกิจนะที่ทําเกี่ยวกับน้ำํำนักธุร ก, กิจคนนี้เป็นผู้มีศรัทธาในพุทธศ า, าสนาอย่างมาก เ, าเขาจะนินมนต์ท่าพระจากต่างประเทศเลยเพราะวัดป่าเนี่ยเ้าจะนินมนต์ให้ไปอยู่ที่บ้านของเขาซึ่งเขาจะจัดชั้นสี่เนี่ยเป็นห้องสําหรับรับรองพระเลยนะพระไปศรีรังกาไม่สะดวกที่ไปอยู่วัดไปเลยเนี่ยก็จะจัดห้องให้อย่างดีเลยแล้วก็ ตอนเช้าก็ถวายพระทานาเช้าถือเป็นโอกาสทางบุญทั้งครอบครัวนะทั้งพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องก็เอามาหมดเลยแล้วก็เลี้ยงอาหารกันอย่างเต็มที่นะถือโอกาสได้ทําบุญพอเลี้ยงอาหารเสร็จก็ขับรถไปส่งเอกที่สนามบนินนะอันนี้ก็เป็นเป็นได้เห็นความศรัทธาลื่นใส่นะของชาวพุทธตั้งแต่คนยากคนจนนะชาวบ้านทั่วไป จนถึงผู้มีฐานนะที่เป็นคนที่มีเงินทองนะที่มีความเลื่อมใสศรัทธาเขาก็าพร้อม น, นะที่จะรับรองนะพระทีปะ่ปฏิบัติดีนะก็ไปเห็นเขาก็รู้สึกประทับใจนะในในความศรัทธาเลื่อมใสของเขานะอันนี้เป็นสิ่งที่ได้พบเห็น จากการไป 14-15 วันเราไปในฐานะเป็นพระหรือเป็นนักบวชเนี่ยค่าใช้จ่ายจะไม่มากแต่ถ้าเป็นโยมเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงโดยเฉพาะค่าเข้าสถานที่ต่างๆเนี่ยเาเก็บหมดเลยเนะไปวัดพระเคี้ยวแก้ววราเก็บประมาณพัน0ะฮประมาณพันกว่าเราปีคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสองรอยกว่าบาท น, นะ ไปสวนพฤกษชาตินะครับพฤกษศาสตร์ของเขาก็ประมาณพันกว่ารูปีก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเป็นคนศรีรังกาจะจะถูกกันนั้นถ้าเป็นพระเป็นชีเป็นบิคซูเีเขไม่เก็บเลยนะเพราะฉะนั้นไปศรีรังกาเนี่ยจะเป็นนักบวชในก็ะดีมกันเนะยัยงแก้งแยกกุมอาจารย์โนที่ไปที่หลังว่าอสองคนที่เป็นโยมเนี่ย ถ้าถ้าเป็นนักบวชนะจะไม่เสียค่าใช้ จ, จ่ายอะไรเลยนะในการเข้าแต่ก็ก็เตรียมตัวเอาไว้นะถ้าไปตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์นะที่ได้จากการไปพระเทศศรีลังกาแล้วก็ได้ไปเห็นว่าสังคมของชาวพุทธในพระเทีศรีลังกาในมีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ เริ่มใส่ในพุทธศาสนาอย่างมากทุกวันอนาทิตย์เด็กๆหรือคนหล้มคนสาวนี่จะเข้าวัดเขาเรียกว่าพุทธศาสนาวันอนาทิตย์ซึ่งประเทศไทยน่าจะได้แบบอย่างมาจากเขาแล้วก็ทําเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ตรง น, นี้เป็นการปลูพื้นฐานให้กับเยาวชนของเขาเด็กๆนนเนี่ยพอพ่อแม่ทําบุญเนี่ยก็จะเข้ามากราบพระกราบที่เท้าเลยนะ เข้ามาแตะที่เท้าเลยแล้วก็ด้วยความเคารพนอบน้อมมากนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ได้ได้ผู้เห็นในจากการที่ได้ไปในพระทีศรลังกานะก็ได้เห็นสังคมที่ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็ส่งผลให้สังคมเนี่ยโดยสภาพแวดล้อมของป่าไม้นะยังร่มรื่น สิงสาราสัตว์ก็ไม่ตกเปลี่ยนใจเวลาเจอผู้คนนะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าคนที่มีจิตใจเมตตานะจะทำให้สัตว์นั้นไม่ตกอกตกใจแต่ถามว่าในประเทศศรีรังกาเนะี่ยมีการฆ่าฟันกันไม่มีการข่มขืนมีมีคกุกมีอะไรมีมันก็มีเหมือนประเทศไทยเรานี่ย น, นะเพียนงะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่ง สาธารณูปโภคต่างๆถนนน้ำทางยังซู้บ้านเราไม่ได้นะการเดินทางก็ต้องใช้เวลาแต่เปรียบเทียบกับประเทศอินเดียแล้วดีวกว่าประเทศอินเดียนะถนนทางกว้างขวางกว่าแล้วก็มีระบบรถไฟที่ที่ที่ดีอันหนึ่งของประเทศศรีลังกานะดินธรรมาชาติของป่าเขานะน้ําตกนะ่ะ ก่นนี้เป็นสิ่งหนึ่งและสิ่งหนึ่งที่ที่เห็นหน่าประทับใจมากก็คือการสานสมัยก่อนเนี่ยที่เมืองอนุลาตาปุระเนี่ยเขาสร้างอ่างเก็บน้ำไว้เป็นหมืน่นมื่นแห่งนะซึ่งตรงนี้ช่วยเก็บน้ำสำหรับการเกษตรได้อย่างดีนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นระบบชนประทานโบราณที่มีมาตั้งพันปีที่แล้วก็ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่ การศาสตร์สมัยก่อนทขาทำไว้เพื่อเพื่อการเกษตรนะและในช่วงสุดท้ายก็ได้มีโอกาสไปเมืองอที่เป็นเมืองที่คนฝรั่งชอบไปอยู่กันนะอากาศก็จะหนาวนะตรงนั้นจะปลูกชามากประเทศศรีลังกาก็ส่งออกชามากที่สุดนะเป็นเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกชานะเรียกว่าเขา หลายลูกนะ เ, ปเป็นที่ปลูกชาแล้วก็มีชื่อเสียงมากนะก็ได้ผ่านไปดนะูนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้ประสบพบเห็นอันะนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเล่าสู่กันฟังก็ในตรงนี้ก็ย้อนกลับมาที่บ้านเรานะความศรัทธาในพิจิตรศาสตร์ชาวนาของเราก็มีมากอยู่นะโดยเฉพาะที่วัดป่าสุขโตของเราเนี่ยถือว่าเป็น วัดที่มีการฝึกปฏิบัตินะซึ่งเทียบกับประเทศศรีลังกาแล้วเนี่ยของเรานี่ถือว่ามีามีการฝึกฝนนะมีจำนวนคนที่มากกว่าวัดหลายๆวัดในประเทศศรีลังกาเพราะว่าใน่ระเศศรีลังกาวัดนี่ก็มีพระไม่กี่รูปนะแลวก็อยู่กันอย่างเงียบๆส่วนใหญ่ก็จะเน้นการสวดมนต์มากกว่าการฝึกปฏิบัติเนี่ยไม่คยเห็นนะมีน้อย และซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ เ, เปรียบเทียบกับที่ป่าสกุโตของเรานี้ดูจะเข้มแข็งแล้วก็เป็นหลักเป็นฐานมากกว่าในในเรื่องของการปฏิบัติที่ศีลธรรการส่วนใหญ่จะเน้นการสดมุนการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ก็ไม่ความเชื่อกันแล้วเท่าที่สังเกตเนี่ยศาสนสาพุทธกับศาสนาพราหมณ์นี้อยู่ด้วยกันเลย ขบูชาทั้งพระพุทธเจ้าบูชาทั้งพระสิวะบูชาทั้งพระนารายนะในบ้านเนี่ยเขาก็จะมีรูปบูชาเหล่านี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อความศรัทธาเขา้านะที่กลมเกินกันไปนะทั้งพุทธทั้งพราหมณ์บางบ้านนี่ ม, มีพระเยซูด้วยเอาหมดเลยแล้ว <c oughs> นะก็เรียกว่ากลมเกินไปทุกศาสนานะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ นี่ก็เป็นสิ่งที่ได้พบเห็นนะแล้วก็ทําให้เรากลับมาดูประเทศไทยเรานะว่าถ้าเทียบกับสีลังกาแล้วความเลื่อมใสศรัทธาโดยประชาชนโดยทั่วไปในี่สี่ลังกามีมากกว่านะแต่ในเรื่องของการปฏิบัติพอดีไม่มีโอกาสไปเจาะลึกตรงนีนะ้แต่ถ้ากลับมาดูที่ป่าสกุลโตขงเรานี่ถือว่าเป็นแหล่งฝึกฝนอบรมคนอย่าง อย่างดีนะซึ่งม่พบในประเทศศรีลังกาศรีรังกาส่วนใหญ่ก็จะมปนการสวดมนต์การบูชาการไหว้พระการ อ, าอ้อนวอนอย่างเช่นไปวัดพระเคีื่องแก้วเนี่ยคนโอ้ไปกันเยอะมากก็ไปสวดมนต์ไปไหว้ไปขอพรบางคนลูกไม่สบายก็เอาไปไหว้เพื่อที่จะหายป่วยอะไรอย่างนี้นะซึ่งก็เป็นความเชื่อซึ่งก็เหมือนคนไทยเราเหมือนกันนะ ตรงนี้ก็มีอยู่นะแล้วก็สดมนกันน่าเป็นส่วนใหญ่นะปฏิบัตินี่ไม่เคยไม่เคยเห็นนะก็เหมือนคนไทยเราทุวๆไปนั่นแหละอันะนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราได้เอ่อมั่นใจนะในการปฏิบัติการมาอยู่วัดป่าสุขโตได้ฝึกฝนอบรมตนเองถห็ว่าเป็นวัดที่ ที่ดีวัดหนึ่งนะเทียบกับในศีลังกานี่ถือว่าของเรานี่เป็นแหล่งเรียนรู้ตนเองแตนะที่ดีแห่งหนึ่งที่มีลังกาไม่เห็นนะอาจจะมีก็ได้นะที่เป็นวัดปฏิบัติแต่ก็ไม่ก็ได้เห็นเพราะว่าเราอยู่แต่ละที่ไม่ไม่กี่วันนะไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษาแต่ละวัดนะเท่าไหร่นะก็เห็นแต่ส่วนใหญ่ก็สดมนแล้วก็ นั่งสมาธิหลับตากันนะตรงนั้นก็เป็นส่วนที่ได้เห็นนะก็จริงๆถ่ายรูปมาเยอะนะแต่ว่าต้องมีเวลาเอามาฉายให้ดูนะเราจะอธิบายนะว่ารูปนี้มันคืออะไรอะไรนะนี่ก็เป็นการพูดอย่างกว้างๆนะแล้วก็ถือว่าเป็นการล่าสู่กันฟังนะเพื่อส่งเสริมนะความเลื่อมใสศรัทธ า, านในพุทธศาสนา แล้วก็การประพฤติปฏิบัตนะิว่าสิ่งนี้ถ้าเราทาแล้วมันเกิดผลให้เรามีความสุขส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อสิ่งสารสัตั์ได้จริงๆและในประเทศศรีลังกาเขา ก, ก็แสดงให้เห็นจริงๆประเทศไทยเราแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะนี่ก็เป็นสิ่งน่ที่ได้พบได้เห็นมานะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างก็นะ คงจะพอสมควรแก่เวลามั้งนะถ้าใครมีอะไรอยากจะพูดคุยก็ไว้เดี๋ยวสอบถามที่หลังส่วนตัวก็ได้นะก็จบไว้เพียงเท่านี้นะขออนุโมท น, นาในกุศลเจตนาทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตกนะ็ขอให้ตั้งใจฝึกฝนปฏิบัติกันต่อไปนะเพราะว่าถ้าเราจเจริญสติได้ดีนะปรับตัวปรับใจได้ไดีเนี่ย ไปอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็ปรับตัวปรับใจได้ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนนะสติปัญญาเนะี่ยมันจะเป็นตัวที่คุ้มครองเราทุกสถานที่ทุกเวลานะจเจริญพร